จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24พสพฤศจิกายนพุทธศักราช2550รตรงกับวันขึ้น15หค่ำวันเสาร์ขึ้น15ห้าค่ำเดือน12สองเป็นวัน ที่เราเรียกว่าวันลอยกระทงแต่สำหรับพุทธศาสนิกชนเราเรียกว่าวันฟังธรรมวันเข้าวัดวันทาบุญสร้างกุศลด้วยการทาบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง พอันที่ส่งของการฟังธรรมก็คือจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างในที่มืดถ้าเราอยู่ในที่มืดแล้วไม่มีแสงสว่างเราจะไปหยิบข้าวหยิบของต่างๆมาใช้เราจะหยิบผิดหยิบถูกเราต้องคลำไปต้องการอย่างหนึ่ง ก็ไปได้อีกอย่างหนึ่งมาเพราะอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นฉันใดใจของผู้ตัวชนของอย่างพวกเราทั้งหลายยังเป็นใจที่มืดบอดด้วยโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้จึงเป็นเหมือนกับอยู่ในที่มืดไม่เห็นสิ่งต่างๆถูกต้องตามความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสุขความเจริญ เรื่องของความทุกข์ความเสือ่อมเราจะมองไม่เห็นชัดเจนเพราะใจเรานั้นมันขาดแสงสว่างแห่งธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้กับให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนก็เพียงแต่มารับไปเท่านั้นเอง มารับไฟไฟฉายมารับแสงสว่างเพื่อจะได้มีแสงสว่างนำทางในตอนกลางคืนทำให้เห็นอะไรต่างได้เหมือนกับตอนกลางวันถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วเราก็จะเห็นความสุขว่าเป็นความสุขความทุกข์ว่าเป็นความทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิแสงสว่างแห่งธรรม เราก็จะถูกความมืดของความหลงครอบงำจิตใจทำให้เราเห็นกับตาลรปัดเห็นตรงข้ามกับความเป็นจริงเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความทุกขว่าเป็นความสุขเห็นความสุขว่าเป็นความทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเดินผิดทางเดินตรงเดินสวนทางกับ ความปรารถนาของเราเพราะพวกเราทุกคนปรารถนาความสุขและความเจริญพวกเราไม่ปรารถนาความทุกข์และความเสื่อมแต่ถ้าเรามองเห็นกับตาประปัดเห็นความเจริญความสุขว่าเป็นความทุกข์และเป็นความเสื่อมเราก็จะไม่เดินเข้าหาความสุขและความเจริญเราเห็นความทุกข์และความเสื่อม ว่าเป็นความสุขและความเจริญเราจึงเดินเข้าหาความทุกข์และความเสื่อมเพราะคิดว่าเป็นความสุขและความเจริญแต่ผลมันก็ปรากฏออกมาอยู่ตลอดเวลาว่าทุกหนอทุกหนอทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้ก็เพราะว่าเราไปคิดว่าคนนั้นจะให้ความสุขกับเรา พอเราได้ของมาแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทีหลังทะเลาะกันก็เกิดความทุกข์แล้วตายจากกันก็เกิดความทุกข์แล้วตีจากกันตีตัวจากกันหนีจากกันไปก็เป็นความทุกข์แล้วแต่เราไม่เห็นกันเพราะเราไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง ความเที่ยงไม่เที่ยงแท้นี่แหละแน่นอนนี่แหละที่เป็นเหตุทําให้เกิดความทุกข์เพราะใจของเราทุกคนนั้นปรารถนาสิ่งที่สิ่งที่เราชอบเรารักเราก็ปรารถนาอยากให้อยู่กับเราเป็นนานๆแต่มันขัดกับความจริงที่ไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปได้ตลอดพอสิ่งนั้นเลือกคนนั้นจากเราไป เราก็เสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนเป็นคนบ้าไปเหมือนกับเหมือนเป็นคนเสียสติทั้งๆ ท, ที่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้มีคนนี้มาอยู่ด้วย<ม>ก็อยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างสบายใจแต่พอเขามาอยู่แล้วใจก็ไปหลงยึดติดอยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นนาน พอเขาจากเราไปโดยที่เรายังไม่ได้ตั้งตัวเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ก็เหมือนกับโดนหมัดน็อกโดนหมัดเดียวที่คางใต้คางก็นับสิทธิ์ไปเลยแต่ถ้าเรามีธรรมะมีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วเราจะมีเราจะมีมีไม้มีมือคอยป้องกันหมัดเด็ดๆที่จะคอยเล็ดลอดเข้ามาสู่ตะ ส, สู่ตัวเราก็คือธรรมะนี่เองเช่นสมาธิฏฐิอย่างหนึ่งก็คือการเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นี่คือความจริงเรียกว่าสมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง ปัญหาของพวกเราก็คือเราเห็นอยู่แต่เห็นไม่พอเห็นแบบนานๆนเห็นทีเวลาคนตายทีถึงจะเห็นเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลทีถึงจะเห็นแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่เห็นเพราะไม่มองนั่นเองไม่ยมไมพยายามมองไม่พยายามคิดคิดแต่เรื่องอื่นอยู่ตลอดเวลา คิดว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนานๆเ น, น, นี่ยมันจะคิดอยู่ในใจเราตลอดพอเรื่องนั้นเรื่องนี้จากเราไปเราก็วุ่นวายใจเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับต้องปลิดชีพของตนเองไปฆ่าตัวตายไปถ่าตัวเองยังไม่พอไปฆ่าคนอื่นด้วยเมื่อเช้านี้ก็มีข่าว ว่ามีมีภรรยาคนหนึ่งมีปัญหากับสามีสามีแอบไปมีแฟนใหม่ขอร้องขอร้องให้เลิกก็ไม่ยอมเลิกขออย่า ก, ก็ไม่ยอมอยา่าก็เลยหาปืนมายิงทั้งสามียิงตัวเองและยิงลูกตายไปทั้งสี่คนนี่เพราะโดนมัดเด็กนะไม่ไม่มี ไม่มีธรรมะไม่มีแสงสว่างไม่มีความเห็นที่ถูกต้องไว้คอยป้องกันตัวถ้ารู้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสักวันหนึ่งเขาต้องจากเราไปจะจากแบบไหนมันก็เหมือนกันตายจากไปก็ไปเหมือนกันไปมีไปมีคนอื่นก็ไปเหมือนกันจะไปแบบไหนรูปแบบใดก็ไปเหมือนกัน ถ้าเราพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาคือให้ดูอยู่ให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจากกันเป็นธรรมดาถ้าคิดอยู่อางนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะระมัดระวังจะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึง พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนพุทธศาสนิกชนให้เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆก็คือความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันว่าเป็นสิ่งที่จะต้องตามมาอย่างแน่นอนเหมือนกับฝนที่เรารู้ว่าเดี๋ยวพอถึงหน้าฝนฝนก็ต้องมาแน่ๆไม่มีใครไปห้ามฝนได้ แต่เราก็เตรียมตัวรับกับฝนไปแล้วมีบ้านไว้หลบฝนมีร่มไว้สำหรับเวลาออกไปข้างนอกมีตุ่มไว้เก็บน้ำรองน้ำและบางทีต่อไปอาจจะต้องมีเรือไว้ในบ้านสักลำหนึ่งเวลาน้ำท่วมจะได้มีเรือไปไหนมาไหนได้เพราะโลกเราสมัยนี้รู้สึกว่าจะมีความวิปริตมากพอสมควร จึงไม่ควรที่จะประมาทควรจะคิดเผื่อไว้บ้างเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราเตรียมตัวไว้แล้วพอเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนเตรียมสบียงไว้ในบ้านเตรียมข้าวของที่จำเป็นไว้ในบ้านพอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเราก็จะได้อาศัยสิ่งที่เราเตรียมไวน้นี้มาช่วยพยุงชีวิตของเราฉันใดธรรมะก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราสะสมธรรมะคือสัมมาทิฏฐิไว้เรื่อยๆคือฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆฟังแล้วก็เอาไปคิดต่ออีกเพราะว่าเราไม่สามารถฟังเทศทุกวันไม่สามารถฟังได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่เราสามารถฟังเทศในใจของเราได้คือเราจำอะไรได้เราก็เอามาทบทวนเอามาคิดอยู่เรื่อยๆ อย่างวันนี้เราจําได้แล้วว่าเราต้องเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเราก็เอามาคิดอยู่บ่อยๆเวลาใจเราไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเราก็คิดแต่เรื่องนี้ไปเรื่อยๆเตือนสติเตือนใจอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมีอาวุธไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่จะบุกมาทําลายเรา เราก็จะสามารถทำลายค่าศึกศัตรูได้อย่างสบายเวลาใครตายไปเราก็จะรู้สึกเฉยๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องตายกันทุกคนมีใครเกิดมาแล้วไม่ตายบ้างเวลาจากกันก็จากกันอยู่เรื่อยๆวันนี้เรามาจะอยู่กันตรงนี้เดี๋ยวเราก็จากกันแหละเดี๋ยวเราก็ไปที่นู่นที่นี่กันแยกย้ายกันไปแต่เราไม่ทุกข์ เราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้หวังที่จะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดเราไม่ได้มีใจที่ความผูกพันกับคนที่อยู่ในศาลานี้มาแล้วเจอกันเห็นหน้ากันเดี๋ยวพอเสร็จธุระแล้วต่างคนต่างไปโลกนี้ก็เป็นเหมือนศาลาหลังนี้แหละเพียงแต่ว่ามันใหญ่หน่อยแล้วเรามาเวลาเรามาเกิดเราก็มาเจอคนนั้นเจอคนนี้ แต่เราเจอแล้วเราไม่มีปัญญาเรามีความหลงก็เลยทําให้เราผูกมีความผูกพันกับคนนั่นคนนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าเดี๋ยวเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกับมาสาลาหลังนี้เพียงแต่ว่าเวลามันต่างกันมาสาราหลังนี้ชั่วโมงสูงชั่วโมงแล้วก็แยกกันไปแต่มาในโลกนี้เวลามาเกิดแล้วกว่าจะตายนี่มันก็หลายปี พออยู่กันไปนานๆก็ยึดกันติดกันมีความผูกพันกันพอคนใดคนหนึ่งไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนี่แสดงว่าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไว้คอยสอนคอยตื่นตนขาดสมาัมมาทิฏฐิมองไม่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายการพัดพรากจากกัน ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งในขณะที่อยู่ร่วมกันและในขณะที่จากกันไม่ต้องร้องห่มร้องอ้ายไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วทาได้ใจของเราทำได้กันทุกคนถ้าทำไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ส่งสอนให้เสียเวลาแต่ทรงเห็นว่าพวกเราก็เป็นหนึ่งในบัวที่มีโอกาสที่จะผุดโผล่พ้นน้ำขึ้นมามีโอกาสที่จะบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ก็คือแสงแห่งธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพวกเราพอเราได้รับแสงสว่างแห่งธรรมแล้วจิตใจเราก็เบิกบานสดชื่นไม่วุ่นวายไม่ไม่กังวลกับเรื่องอะไรทั้งสิน้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วแล้วเราก็ฝึกอยู่แบบไม่มีอะไรด้วยถ้ารู้คิดเฉยๆอย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องไปซ้อมเหมือนกับทหารเวลาเขาเรียนวิชาต่อสู้กับค่าศัศตรูแล้วเขาต้องซ้อมรบกันเขาต้องมีการาต่อสู้กันจริงๆเพียงแต่ว่าไม่ใช้อาวุธจริงไม่ใช้กระสุนจริงแต่มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆจริงทั้งหมดซ้อมเหตุการณ์เอาไว้พวกเราก็เหมือนกันเราต้องคิดว่าเรา สักวันหนึ่งเราต้องอยู่คนเดียวงนั้นเราต้องซ้อมไปอยู่คนเดียวบ้างเช่นมาอยู่วัดอยู่ทีละสามวันเจ็ดวันซ้อมอยู่อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรมีข้าวกินใบวันละมื้อก็พอแล้วมีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจเช้าเย็นลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นี่คือเป็นการเสริมสร้างพลังให้กับใจ เสริมสร้างสติปัญญาเสริมสร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้กับใจเมื่อเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วใจของเราจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่อยากได้อะไรเพราะจะเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเหมือนกับเป็นงูพิษได้มาแล้วเดี๋ยวเผลอก็โดนมันกัดเอาสู้ไม่มีมันดีกว่าอยู่ห่างมันไกลๆดีกว่าเช่นพระพุทธเจ้า ทรงเห็นว่าลาบยศเสริญสุขนี่เป็นเหมือนกับงูพิษท่านเลยสละราชสมบัติสละตําแหน่งสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะไม่อยากจะถูกมันกัดท่านถูกมันกัดมาตลอดเวลาท่านเห็นแต่พวกเราไม่เห็นพวกเราถูกมันกัดอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่ากําลังถูกมันกัดเราไม่รู้ว่าพวก สิ่งที่เราหลงยึดติดอยู่นี่แหละเป็นเหมือนกับงูพิษถ้าเราชอบเที่ยวพอเราไม่ได้เที่ยวเราก็ทุกข์แล้วเราก็ไม่สบายใจถ้าเราชอบซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆพอเราไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยเราก็ไม่สบายใจพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะได้พอไม่ได้ก็ไม่สบายใจของทุกวันนี้มีมาล่อใจเรามาก แต่เราไม่รู้ว่าของพวกนี้เป็นเหมือนงูพิษของที่เขาโฆษณาตามโทรทัศน์ตามวิทยุตามหน้าหนังสือพิมพ์นี้ส่วนใหญ่นี่จะเป็นงูพิษทั้งนั้นมีปาลาไหลอยู่บ้างไม่กี่ตัวนอกนั้นเป็นงูพิษหมดปาลาไหลคืออะไรก็พวกที่จาเป็นต่อการครองชีพเช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่ม ตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นก็เป็นเหมือนกับปลาไหลเราจับมาแกงกินได้แต่จร่ ง, เงนเออแล้วมันเป็นเหมือนกับงูพิษของฟุงฟ่งเฟือยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของที่ให้ความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหล่านี้ล้วนเป็นงูพิษทั้งนั้นเพราะเป็นเหมือนยาเสพติดเมื่อเรามีแล้วเราก็ ต้องมีมันอยู่เรื่อยๆพอขาดมันสักวันหนึ่งนี่ก็หงุดหิดใจเคยดูละครทุกคืนพอคืนไหนไม่ได้ดูนี่ก็หงุดหงิดใจเคยออกไปเที่ยวทุกวันพอไม่ได้ออกไปเที่ยวก็หงุดหงิดใจเคยใช้เงินทุกวันพอไม่ได้ใช้เงินพอไม่มีเงินจะใช้ก็หงุดหงิดใจวุ่นวายใจต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้ แล้วก็เกิดปัญหาตามมาเพราะไม่มีปัญญาที่จะใช้หนี้เขาก็ต้องคอยหลบคอยหลบคอยหนีเจ้าหนี้อยู่เรื่อยๆและถ้าหนีไม่ทันก็ถูกเจ้าหนี้จับไปลงโทษหรือถูกเจ้าหนี้ด่าว่ากล่าวตักเตือนต่างๆซึ่งเป็นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นเหมือนงูพิษทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นกัน เพราะเราไม่เคยคิดกันคิดไม่เป็นไม่มีปัญญาเหมือนกับเหมือนกับถูกสะกดจิตพอเห็นอะไรคิดถึงเรื่องอะไรแล้วก็อยากจะได้ขึ้นมา ท, าทันทีคิดเรื่องเงินก็อยากจะได้เงินมากๆคิดเรื่องตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ก็อยากจะมีสูงสูงคิดเรื่องสรรเสริญก็อยากจะให้มีแต่คนยกย่องสรรเสริญเยินยอคิดถึงเรื่อง ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะก็วิ่งเข้าหาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยตึกตรองสักครั้งหนึ่งเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษกับใจของเรามันให้ความสุขกับใจของเราอย่างแท้จริงหรือไม่เราไม่เคยคิดกันเพราะเราไม่มีใครสอนให้คิดนั่นเองเราก็คิดไปตามพวกเดียวกันคิด คือต่างคนต่างบอกว่าดีทั้งนั้นได้เงินมาเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีได้ตำแหน่งสูงเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีได้ดีคนสรรเสริญเยินยอมากน้อยเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีได้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏ t a ได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีคิดกันอย่างนี้อย่างเดียวโลกนี้จึงผลิตเรื่องเหล่านี้มาให้พวกเราให้ให้พวกเราหลงกัน สิ่งต่างๆเี่ผลิตออกมานี่เป็นสิ่งที่มาหลอกเราทั้งนั้นหลอกให้เราไปได้มาหลอกให้เราหลงยึดติดแล้วก็หลอกให้เราทุกข์กับมันในที่สุดพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่างวันพระในวันนี้เราลอกมาปล่อยวางความสุขแบบนั้นสักครั้งหนึ่งสักวันหนึ่งแล้วมาอยู่แบบไม่ต้องอาศัยลาบยศสนรเสรสุข ไม่อยู่วัดถือศิลแปดแม้กระทั่งความสุขเกิดจากการรับประทานอาหารก็ไม่ให้มีให้รับประทานเท่าที่จําเป็นรับประทานอาหารเหมือนกับเติมเหมือนกับรับประทานยาคือไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเท่าที่จําเป็นไม่ต้องรับประทานสามมือ เช่นวันพระนี่เอาแค่สองมื้อก็พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่กินก็ไม่ตายรับรองได้ยิ่งถ้ามาบวชเป็นพระนี่มื้อเดียวเท่านั้นเองเช้านี้พอเทศเสร็จฉันเสร็จก็จบจะฉันอีกทีก็พรุ่งนี้เช้าวเวลาเดิมอยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายมีอาหารพอเพียงที่เป็นปัญหาก็คือกิเลสคือของ ของเรานั่นเองที่อยากไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักพอกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มปัญหาอยู่ตรงนี้เราสามารถทําใจของเราให้อิ่มได้ด้วยการต่อสู้กับกิเลสด้วยการบังคับใจของเราไม่ให้ทําตามกิเลสกิเลสอยากจะกินเราก็บอกว่าไม่กินเพราะกินมาแล้วพอแล้ววันนี้กินพอแล้ว ไว้พรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ก็ได้ไม่ตายรับรองได้อย่างนี้กิเลสมันก็ตายเลยเพราะว่าเรามีเหตุผลเรามีสัมมาทิฏฐิเราใช้หลักความจริงเราไม่ใช้อารมณ์เป็นเป็นเครื่องนำพาจิตใจของเราอารมณ์ก็คือความอยากต่างๆหรือความชังต่างๆความความรักความชังนี้ก็เป็นอารมณ์เมื่อมีแล้วมันก็จะทาให้เราต้องไป วุ่นวายกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชังเห็นคนที่รักก็เป็นห่วงกังวลจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าเนอะรือจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นคนชังก็เบื่อหน้าอยากจะหนีอยากจะให้หายไปเร็วๆจิตใจก็วุ่นวายตามมาเราต้องฝึกใจทำใจให้มีเหตุมีผลอย่าไปรักอย่าไปชังกับอะไร พอดูว่าทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งที่เราไม่ชอบเดี๋ยวมันก็จากเราไปเหมือนกันเราไม่ต้องไปกังวลกับมันไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันเหมือนกับสิ่งที่เราชอบเดี๋ยวก็จากเราไปเหมือนกันมันมาแล้วมันไปเหมือนเหมือนกันทั้งนั้นแต่ใจของเรานี่พอไปชอบอะไรยแล้วรู้สึกว่าแมอยู่กับเราเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองไปแล้วแต่ไอสิ่งที่เราชังไม่ชอบนี้ มือนก็นอยู่กับเราเป็นร้อยปีทั้งๆ ท, ง ท, งที่อยู่เวลาเท่าๆกันแต่ความรู้สึกของใจมันเป็นอย่างนั้นมันมีอารมณ์เราต้องมากําจัดอารมณ์ด้วยการใช้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีการมีการดับไปมีการจากกันไป ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารักหรือเราชังก็เป็นเหมือนกันเราไม่ต้องไปยุบกับเขาไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเขามาก็ปล่อยเขามาเขาไปก็ปล่อยเขาไปเราก็เหมือนเดิมเป็นคนเดิมไม่ดีใจไม่เสียใจสบายใจดีกว่าขอให้สบายใจอย่างเดียวอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจเอาสบายใจสบายใจนี้อยู่ตรงกลาง ร, ระหว่างความดีใจกับความเสียใจ คือถ้าเราไม่ดีใจเราไม่เสียใจเราก็สบายใจแต่ถ้าเราดีใจหรือเราเสียใจเราก็ไม่สบายใจคิดดูเอาจะเอาอย่างไหนเอาความสบายใจไม่ดีกว่าหร้อสบายใจไปตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครจะมาใครจะไปก็สบายใจเพราะไม่ดีใจไม่เสียใจแต่ถ้าใครมาใครไปแล้วไปดีใจหรือไปเสียใจก็จะไม่สบายใจ นี่คือเคล็ดลับของชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ความสบายใจแลเราต้องมาฝึกทำความสบายใจให้ได้โดยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนในโลกนี้อย่าไปยุ่งอย่าไปยึดผูกติดกับเขารู้จักกันได้อยู่ร่วมกันได้มีอะไรก็ทำกันได้แต่ต้องรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับของที่เรายืมเขามา ยืมยืมของเขามาเดี๋ยวก็ต้องไปคืนเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆให้เข้าวัดอยู่เรื่อยเมื่อฟังแล้วก็ให้นำเอาไปปฏิบัติเช่นวันนี้ถ้าถือศีลแปดได้ก็ลองไปถือก็ลองไปถือดู ข้อสามจากกาเมก็เปลี่ยนเป็นอพ ร, รมมจาริยาการเมหมายถึงการนอนหลับกับคู่ครองของเราเช่นสามีและภรรยาแต่ถ้าเป็นวันพระสามีหรือภรรยาก็ไม่นอนร่วมกันก็เรียกว่าอพรมมะจริยาหมายถึงรักษาพรมจรรทร์ไว้คือวันนี้ขอเป็นพรมหนึ่งวันไม่อยากจะเป็นมนุษย์ที่เป็นขอเป็นพรมสักวันหนึ่ง ก็ต้องถือศีลข้ออัรมัจริย า, ยาถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็แยกห้องกันอยูอยย่อย่านอนห้องเดียวกันอย่านอนเตียงเดียวกันเดี๋ยวมันเผลอเวลามันนอนหลับไปแล้วมันเผลอต้องแยกห้องกันแล้วก็ใส่กุญแจใส่กรอนเอาไว้ให้ดีอย่าไปเปิดในเงื่นเดี๋ยวศีลข้อนี้ขาด หรือทางที่ดีก็ให้มาอยู่วัดดีกว่าแยกกันอยู่คนหนึ่งอยู่บ้านอีกคนหนึ่งอยู่วัดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างรักษากันแล้วก็ถือศีลก็หคือไม่ไม่รับประทานอาหารจากหลังหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะรับประทานก็รับประทานให้พอก่อนเที่ยงอยากจะรับประทานเท่าไหร่ก็รับได้ไม่ห้ามเอาให้เต็มที่เลยเอาให้เต็มท้องไปเลย ถือสินแต่นี้เขาไม่ได้ให้ามให้กินน้อยๆเขาให้กินพอดีให้กินพอกับความต้องการเทยงแต่ว่าให้ตัดเวลาลงเท่านั้นเองแทนที่จะกินแบบไม่มีเวลามเวลากินตลอดเวลาก็เอากินให้มันเป็นเวลามเวลามันก็อิ่มเหมือนกันได้อาหารพอเพียงเหมือนกันที่หิวนี่มันไม่ได้หิวที่ร่างกายมันหิวที่กิเลส ท, ที่ใจใจมันคิดถึงอาหารน้ำลายก็ไหลละ บางทีเพิ่งรับประทานอาหารอิ่มไปใหม่ๆพอเห็นขนมอะไรลอยมาปั๊บก็อยากจะกินต่ออีกแล้วทั้งๆที่ร่างกายบอกรับไม่ไหวแล้วท้องนี่แน่นเอียดอยู่แใจก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเป็นอย่างนี้ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าถือศีลแปดเราจะสู้ผอมแห้งแรงน้อยไม่ไม่เป็นอย่างนั้นถือศีลแปดแล้วจิตใจจะมีพลังมีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสต่างๆ แต่ถ้าเราไม่ถือศีลแปดแล้วใจเราจะอ่อนแอเห็นขนมก็อดไม่ได้เห็นอะไรก็อดไม่ได้กลายเป็นคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีวินัยในตัวของตัวเองแล้วปัญหาก็ตามมากินมากเกินไปก็ก็กลายเป็นคนไม่สวยไม่งามไปรูปร่างหน้าตาก็ไม่น่าดูตัวกลมเหมือนกับตุ่มอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ารู้จักแล้ว หักหามจิตใจรับประทานอาหารพอประมาณแนละ้วจะเป็นรูปร่างาที่สวยงามเนี่ยไม่ต้องไปออกกําลังกายให้เหนื่อยไม่ต้องไปเต้นแอโรบิกเพียงแต่รักกินไม่ให้มันมากเกินไปเท่านั้นหุ่นมันก็ดีอยู่แล้วแต่คนชอบชอบเยอะอยากจะได้หุ่นด้วยแล้วอยากจะกินเยอะด้วยก็เลยพอกินเยอะแล้วก็ต้องไปเต้นแอโรบิกไปออกกําลังกายเพื่อเอารีดไขมันออกมา ถ้าเราไม่เอาไขมันเข้าไปในท้องสัอย่างมันจะมีมันจะมาจากที่ไหนถ้าเราไม่กินมันเข้าไปมันก็ไม่มีแต่กิเลส ข, ของเรามันอยากจะได้ทั้งสองอย่างอยากจะสวยแล้วก็อยากจะกินเยอะๆมันก็เลยต้องต้องเสียเงินไปออกกำลังกายนี่คือปัญหาของกิเลสทั้งนั้นเราไม่รู้สึกตัวว่ามันกำลังกัดเราอยู่ทุกเวลาเป็นเหมือนงูพิษสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับเราตลอดเวลา เราไม่เคยเชื่อพระพุทธเจ้ากันเลยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย mm hmm. เช่นวันพระก็ถือศีลแปดกันวันธรรมดาก็ถือศีลห้ากันแล้วก็ทุกวันเช้าเย็นก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ล้ำลึกถึงพระธรรมคําสอนอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็ให้คิดถึงเรื่องธรรมะ ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะมีมีผู้คอยดูแลรักษาคอยปกป้องคุ้มครองไม่ให้ชีวิตของเราตกต่าไม่ให้ชีวิตของเราต้องวุ่นวายต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทําให้กับเราได้เราต้องทําเองพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านก็เพียงแต่ สอนเราเตือนเราบอกเราแต่เราต้องนำไปเตือนตัวเราสอนตัวเราอีกต่อหนึ่งเพราะท่านไม่สามารถอยู่กับเราไปตลอดเวลามาฟังเทศแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วแยกทางกันแล้ว mm. ก็ไม่มีเวลาที่จะไปสอนไปบอกตลอดเวลา mm. เราก็ต้องสอนตัวเราเองถ้าเรามีธรรมะสอนใจเรื่อยๆแล้วใจเราจะไม่หลงจะไม่โลภจะไม่โกรธ จะไม่รับจะไม่ชังจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะสบายใจอยู่ตลอดเวลาจึงขอให้ท่านทั้งหลายมันเข้าหาพระธรรมคาสอนมันฟังเทศฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นวันพระเช่นวันนี้ก็ดีหรือเป็นวันเอิร์ดก็ดีถ้ามีเวลาว่างก็ขอให้เข้าหาธรรมะเพราะธรรมะนี้เป็นสมบัติที่ประเสริฐที่สุด เป็นรัตนะเป็นเพชรที่แท้จริงเพชรที่พวกเราหาซื้อกันในตลาดนี้เป็นเพชปรปลอมทั้งนั้นเป็นก้อนหินมันไม่มีประโยชน์อะไรกับใจของเราเลยแต่เพชรที่มีประโยชน์กับใจของเราก็คือธรรมะพุทธธรรมะสังขารที่เดียวเรียกว่าพระรัตนตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีอยู่ในใจของเราแล้วเราก็เป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาทันที จะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดอย่างสม่ำเสมอมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องซึ่งเป็นสดแสงสว่างแห่งธรรมนำพาชีวิตของท่านให้ไปสู่ความสุขและความเจริญ